ยิ่งออกแรงกำหนดรู้น้อยลงเท่าไรลมหายใจก kind of ็ยิ threats, ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นด้วยซ้าการออกแรงเพียงน้อยแต่สามารถรู้ได้อย่างต่อเนื่องกับทั้งไม่เกี่ยงงอนว่าต้องเป็นเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบมีอะไรให้รู้ก็รู้จะนำไปสู่การมีสติแบบเบาแรงสบายกายสบายใจและพัฒนาเป็นความเคยชิน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 ก็เหมือนซับภายในยิ่งเอ่อท้นล้นอกมากขึ้นเท่านั้นหากปราศจากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้วใจเราย่อมทยานออกไปควาคว้าเหยือ่อรอบภายนอกไม่รู้จบรู้สิน้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นต้องกระชากความรู้สึกของเราให้ยื่นไปยึดได้เสมอไม่วันนี้ก็วันหน้า มีความสงบระ ง, งับเยือกเย็นเมื่ออิ่มเอมเปรมใจถึงที่ถึงขั้นไม่อยากได้อะไรนอกจากมีสติรู้นั้นย่อมตามมาซึ่งความสงบระ ง, งับเยือกเย็นเป็นธรรมดากายขยับเท่าที่จาเป็นต้องขยับใจเกิดปฏิกิริยาเท่าที่จำเป็นต้องเกิดปฏิกิริยาผลจากสภาพคนอยู่ไม่สุข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 และการปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองเป็นคุณภาพของจิตที่พร้อมจะถึงฌานในแบบมรรคผล <Kes' S 1> เมื่อถึงความพร้อมบรรลุมรรคผลจิตจะคล้ายฟองสบู่ที่พร้อมแตกตัวหายวับโดยไม่ใ่ดีกับการมีการเป็นของตนมนโนภาพบุคคลเหลือน้อยเต็มที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 ทุกทุกสิ่งร่ำไยกัดกลายพี่รมสิน้นความไร้มนทิน้นอันอยากเรียบปานความสรา